สามอบแพะมีพ่อแม่มาฟ้าตบพีความรุ่นที่วิสูตรตะพีไม่กันวันตานพปอบมาจำนบาบอกพี่หมดเร้าหมดความห่วงใยแอบมีผู้ยิ้มคนใหม่ตำแม่นเนี้อใหญ่โยนให้นองแล้ กลางต๊ดต้นปวดร้าวดวงจิตนัน่งโดนต่อพี่เพื่อนเลือดอาบิงหยิบขึ้นวันทานมาทานก็ผัวเผยซุดบเร้ามีลูกมผัวปันสันเนี่ยวันนี้ไม่คิดเลยว่าจะพาเ่ามายาำนาลูกี ความแนมงได้เป็นใจรับได้ยหัวควาำแนมเนี่อลวงข อ, อให้มาจงทาเปันตีพื้นได้ไม่ได้อยากจอระมานใจนี้คิดไปผัวใจอ่อนเปลี่ย ลูบเมียต้งนองโนประทองเลิกผิดเถอะผิอย่ามีเนียนอาวเมียได้สอบหิ้งหนึ่งใจทนไม่ได้ตีบใจมันพื้นผมจิิงอยู่นานไปยิ่งเหยียบหัวใจลูกเมียระผม ลิบลับเะิดาใจสุขสมตําแหน่งรักทบสมัยสมจมมางจ จำแน่งพื้นได้เต็มใจรับได้เนี่หัวจำแน่งเนืยลวงพ่อไม่มาต้องท่าเป็นปีพื้นได้ไม่ได้อย่าทบอกระมาณใจเมีคิดไปผูวใจอ่อนเปลี่ยนดื้อเหนียต้องโทดประทบ เล่าิเธอีิอย่ามีเนโนไว้เมียด่างสมหญิงหนึ่งใจฝนไม่ได้ติดใจมันพื้นคมยิ่งอยู่นานไปยิ่งเยียบหัวใจลูกเมียระบมเมื่อหลับเธอผ่าใจสุขสมตําแหน่งระทม ไมัยตองตามมีหลับเพลิ่เพใจสุขสมต้องแมงเรือทมสมัยตองตา 你。Yeah.